เรื่องธรรมะสองประการพระสัสดาเมื่อประทับนั่งอยู่ที่พระเจตวันทรงปรารบเรื่องภิกษุมากรูปทูล ถ, ถามถึงธรรมะสองประการวันหนึ่งพระสารีบุตรเห็นภิกษุประมาณ3 0สิบรูปมาถวายบังคมพระสัสดาแล้วนั่งพระเถระท่านเห็นอุ ป, ปนิสัยแห่งพระอรหัสของภิกษุเหล่านั้น จึงทูลถามปัญหานี้ว่าธรรมะทั้งหลายที่พระองค์ตรัสเรียกว่าธรรมะสองประการสองประการนั้นเป็นชะไหนนอแหลพระศาสดาทรงตรัสว่าสารีบุตรสมถะและวิปัสนาเรียกว่าธรรมะสองประการดังนี้แล้วจึงตรัสประคาถา่าในการใด พระอริยเจ้าเป็นผู้ถึงฟังในธรรมสองประการในการนั้นกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงของพระอริยเจ้าผู้รู้อยู่ยอมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ในการจบเทศนาภิกษุแม้ทั้งหมดเหล่านั้นตั้งอยู่ในพระอรหัดแล้วดังนี้แหละ